สร้างจรเกันนะหลวงพ่อเป็นผู้พูดตอนทั้งหลายเป็นผู้ฟังการพังธรรมนยก็คือการฟังเรื่องของกายของใจเรานี่สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นกับปากับใจ เราจะได้เห็นมีติเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ดูแลกายใจทำก็คือเรื่องของกายของใจนี่แหละวิธีปฏิบัติก็ปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้ให้เป็น ความถูกต้องสติเป็นสิ่งที่จเจ๋ลยในสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นกับปากกับ ใ, ใจเราให้เป็นความถูกต้องตามอย่างนี้เลยว่าปฏิบัติธรรมถ้าปล่อยควมไม่ดีถ้าเกิดกับปากกับ ใ, ใจอยู่บ่อย แล้วก็เป็นทุกเป็นโทษต่อกายต่อใจต่อคดอื่นสึ่งอื่นวัตถุอื่นต่ถ้าเราเปลี่ยนให้เป็นความดีมีสติมีสติสตแทนที่มันไม่ดี ร, รู้สึกตัวกายมันเป็นความรู้สึกตัวยีเบิรเปลี่ยนลายเป็นดี ให่ทำอย่างนี้หรือว่าปฏิบัติเยอะแย ะ, ยะเลยเวลาเรามีติจะได้เห็นสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นกับกายกับใจมากมายหลายอย่างเกิดลอยข้างฝันหนุนก็มีเพราะเราไม่เคยเปลี่ยนให้เป็นความรู้ความหลงก็เป็นความหลงความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ ความโกรธก็เป็นความโกรธก็กลายเป็นจะดิตนิดใสได้เวลาฆ่าจริตมีจิตตัญหาเป็นโทษใส่จิตเป็นความโง่ลอยเป็นทุกข์เป็นโทษต่อจึงคนอื่นเป็นโมหะจริต มีความหลงพวกกู่ขึ้นเถ่นที่ได้ความรู้กลายเป็นความหลงอาได้ความรู้กว่าได้การศึกษาเรื่องอื่นความรู้ที่เกิดกากกายกับใจที่มันถูกต้องไม่ค่อยจะมี เมื่อเราศึกษามีสติเราก็จะจบสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกต้องก็จะจบโปรงได้มันเรียนจบได้ที่กายที่ใจเรานี่นันเป็นสูตรมันเป็นคำพีมันเป็นตำลาไม่ใช่เรามาเรียนหนุนเรียนหนังสือ กันเรียนหนังสือมันก็อ่านได้เขียนได้รู้ความหมายบอกปิดบอกถูกให้ปฏิบัติแต่มันเป็นสิ่งที่ภายนอกได้ความรู้ความรู้ยังใช่ไม่ได้ทําไม่เป็น ปฏิบัติคือหัดมาทําให้มันเป็นเดวล้วมันหลงรู้นี่คือทําให้มันเป็นความหลงกลายเป็นความรู้สิบตัวจริงที่ไม่ถูกต้องคือควมรู้สิบตัวทําเป็นดาเป็นแล้วการหัดทาอย่างนี้ ไม่มีใครสอนเราเราต้องสอนตัวเราเองอานสอนให้ลูกมีถึงชั้นมหาวิลลยมี่เด็กคนลูกั้งนั้นลูกดีลูกชัว่วทุกข์ไม่ดีโกรธไม่ดีแต่เราก็ยังโกรธอยู่ยังทุกข์อยู่เด ต, ต้องทาให้มันเป็นจริงจ สำเร็จประโยชน์สิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เป็นความถูกต้องที่เกิดเกิดปากับใจเรานี่จะได้ไม่มีทุกมีโทษไม่มีพิษมีภัยถ้าเรียนรู้จนจบสิ่งที่ไม่ดีเกิดปาเกับใจเรานี่เรีวยว่าพระอายะบุคคล อธิยะแปลว่าไม่มีข้าศึกไม่มีศัตรูผู้พ้นจากข้าศึกผู้พ้นจากศัตรูเพราะว่ากายใจของเรานี่มันเป็นรูปเป็นนามรูปนี้มันเกิดขึ้นแล้วเจ็เจ็บหนายไปรูปนี่มันไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไป รูปนี่นามนี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเราจะได้เห็นแล้วก็มีที่ปล่อยมีที่วางส่งคืนบอกคืนความไม่เที่ยงก็คือความไม่เที่ยงจงให้ความไม่เที่ยงมันไป จะเอาความไม่เที่ยงมาเป็นความเที่ยงมันไม่ถูกต้องเพราะเราเห็นแจ้งเห็นชัดเกิดวิปัสสนาขึ้นมารู้แจ้งาความไม่เที่ยงไม่ใช่มาเป็นทุกข์ได้ปัญญาความเป็นทุกข์ก็ได้ปัญญาไม่เหมือนเมื่อเราไม่ศึกษาไม่มีสติความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็มาเป็นทุกข์ ความโกรธก็มาเป็นความโกรธเป็นตัวเป็นตนแต่กูได้โกรธตายก็ไม่ลืมเอาความโกรธมาเป็นตัวตนตามๆความโกรธเสียผู้เสียคนตามๆความโกรธเสียเปรียกความโกรธตามๆความทุกข์เสียเปรียบความทุกข์ของตัวเี็ไม่ใช้ตัวใช้ตน มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปผมนามรูปนามนี่มันมาเที่ยงแต่ตัวรูปก็เป็นทุกข์ยังอโคลมอากันต่างๆมเป็นทุกข์ซ่อมเติมรูปทำเติมนามเข้าไปความเป็นจริงของรูปนี่นามนี่ ไวธรรมชาติในเป็นอาการให้เราได้ปัญญามีธรรมชาติมีอาการเพื่อความอยู่รอดของรูปของนามแต่เราออกมาเป็นตัวเป็นตนกบเกื่อนรูปกบเกือนนามผิดเพี่ยนอย เรือความหลาวเป็นธรรมาชาติเป็นดาการของลูกถ้าหนาไม่เป็นก็ไม่ใช่ลูกมันเป็นสนัญญาณภัยให้ให้ได้ช่วยลูยจับห่ผมผ้ารู้จับความป้องกันเหมือนหิวเหมือนเจ็บเหมือนปวดลูยจับช่วยเหลือลูกช่วยเหลือน้ำ และมีสติจะเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลลูกนี่นามนี่ให้พ้นภัยด้วยสติปัญญาได้ปัญญาสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับลูกกัมนามนี่ปัญญาอันดับต้นต้นเปิดทาง <c oughs> เวททางได้เปิดตัวได้ลูก่แกงได้เห็นธรรมชาติความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเห็นแก้งจริงๆในทุกสับสนสิ่งในโลกนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตน เป็นสมมันลักษณะเสมอเัมนหมดแล้วก็เห็นเชื่องเรื่องนี้ตามพิ่มเป็นจริงได้ปัญญาเป็นแหล่งปัญญาตรงนี้มากมายทะลุทะลวงไปต้งแต่ต้นจนจบก็ว่าได้ อาใช่สิงเหล่านี้เป็นตัวเฉลยลเรื่อยไปเมื่อใดเราเห็นมีสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงด้วยสติปัญญานั้นเป็นมกักเป็นผลเป็นนิพพานได้ แต่ก่อนก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แบบ น, นี้ไม่เป็นทุกข์เป็นนิพพานเลยเย็นเลยคว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันเห็นจริงๆแล้วมันยิ้มยิ้มในใจหัวใจลึกๆไม่ใช่น่าเศร้าน่ามองเห็นความเป็นเท็จเป็นจริงในเขาวเดียวกันก็ไม่เที่ยงจใจเหมนเที่ยงได้อย่างไร ถ้าลูลงนี่จริงๆนะเยียงไปสูมโขผนเหมือนเหมือนสิ่งที่ดึงดูดเหมือนหลังเขาลูกนี่มีแม่น้ำลำบทาวดึงดูดน้ำทุกสายให้ลงสู่ลำบทาวน้ำพ่านน้ำแต่ละสายลงไปตก เทเลนัวามยเที่ยงดึงดูดทุกสิบทศจิงน้อไปชูมักสู่ผลดึกลงไปเรื่อยเลืกลงไปเรื่อยบอกเป็นตัวกากับก็ง่าย <c oughs> เราจึกษากรรมฐานวิปั จ, จนากรรมฐานไดยหลักตรง น, นี้ก็นำลงได้เดวลาสิ่งที่มันเกิดขึ้น ก, กับใจเรามากมายกิเลสพันห้าตัณหา1อยแปดมองทวมไม่เที่ยงยืนความโกรธก็มองทวมไม่เที่ยงกิเลสตัณหาก็มองถึงความไม่เที่ยง จมเป็นทุกข์ามรักความชังขอใจไม่พอใจมีแต่ความไม่เที่ยงทั้งนั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อเอาความเมื่อเอาสมมลักษณะไตลักษมณ์สะกลมกลับแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้ หลุดไปเลยอะไรก็หลุดไปเลยจับไม่ลงเป็นความทุกข์ทาไม่ได้เด็ดขาดจะให้เป็นทุกข์ไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนควมโกรธก็โกรธไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงค ว, วความโกรธ น, รนี่ไม่ใช่ตัวใช่ตนหืนไปโกรธก็ ขมขืนไม่ลงบังคับยังไงก็บังคับไม่ลงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับกากับใจเรานี่ได้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนจริงๆแล้วทำไม่ลงมันทำไมสลายสลายทุก หรือฉลุงทุกข์เมื่อเห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วบางไม่ทุกข์ไม่หลงเพราะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็เกิดกองงานสิ่งอื่นขึ้นมาแทนที่ กายเป็นศีนเป็นสมาธิกายเป็นปัญญาศีลก็กำจัดขุดลึกกวชออกไปสมาธิก็บวชออกไปอีกปัญญาก็บวดต่อไปอีกทําให้สาดบริสุทธิ์หมดจดจ่กเครื่องเส้นมองในเขาวเดียวกันมันกำจัด ก็ไม่เที่ยงบุกเบิกเซเบไปเหมือนใบมีดรถแท็กเตอร์ที่ผ่านไปก็มีอันอื่นตามมารถบดรถอะไรเหยียบไปอีกเดียบไปอีกเดียบไปอี ก, ร บ, อกบริ่ฉุดหมดจดจ่อเครื่องสมองมี อานิสงส์เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติเปลี่ยนพ้นภาวะเดิมได้จากชีวิตกรุขาะหรือป่าดงเถื่อนเถือ น, น, นความหลงมาอยู่ในหัวใจใความรู้มาอยู่จิเด็ดหน้ามาอยู่าเป็นความสั่หมดจดไม่เถือนแ ล, แล้วลูกแจ้ง ร่วงพ้นจากภาวะเดิมมันก็รู้จบดูตัวเองว่าเป็นอย่างไรขณะที่เมื่อก่อนเป็นอย่างไรบัดนี้เป็นอย่างไรเหมือนเกิดยานขึ้นมาเหมือนพระติเจ้าได้ปฏิบัติเกิดยานสามขึ้นม า, อ, า, า, านอดีตต่างค้าจยานอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไร บอกให้เราได้สมผดได้เพราะมันต่างเก่าพ้นภาวะเดิมเมื่อเป็นอย่างนี้ก็คิดถึงบุญคุณว่าพุทธเจ้าพระทํามพระสง์มีศรัทธาแน่วแน่คิดถึงบุญคุณปิดามารดาผพ้ให้กำเนิดเกิดมาได้รูปได้นามมานี่ เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทําความดีเป็นเครื่องมืออุปกรณ์แล่าความชั่วสมบูรณแบบเป็นมนุษย์สมบัติคุ้มค่าที่เกิดมาไม่เสียค่าน้ามนมไม่เสียค่าเลี้ยงค่าเลงที่พ่อแม่เลี้ยงมากอ อะไรต่างๆที่จะใม่เราได้อยู่ในโลกนี้เห็นคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างแบบไม้แม่น้ำอากาศแผ่นดิน <c oughs> ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหมเชื่อมผ้าหงันการกจิตจิตวิญญาณดีมันก็เกิดเป็นสิ่งแวดลอมขึ้นมา แต่ฉันสุขภาพก็จะดีได้เป็นเคยสุบุรีเคยนเล่ากนลูกเศรษฐกิจก็จะดีเคยทำหมตัวเองเดือดร้อนหยุดเด็ดขาดไม่ทํามาแต่เงเดือดร้อนเด็ดขา ด, า เ, ด, ด, เ, ด, ดเด็ดขาดไม่ทําให้คนอื่นเด็ดเดือดร้อนเด็ดขาดเป็นทุกเด็ดขาด เพียงที่มันเด็ดขาดจุด ท, ที่มันแล้วยิ่งใหญ่มีอำนาจไม่เอาเรื่องกายเรื่องใจมาเป็นทุกข์เป็นโทษเด็ดขาดแม้เอาเรื่องกายเรื่องใจไปเบียดเบีนคนอื่นจึงเงินเด็ดขาดเมื่อเปอย่างนี้ก็เกิดความดีก็ย่อยออกไปอยากมือห้านิ้วชิบนิ้ว เกิดความดีขึ้นมาแม้แต่ความคิดลอยความคิดก็ยังมี้อยมือ้อยการงานที่เกิดการกระทำก็มีเกิดขึ้นมายิ่งเราเป็นสังคมมีเป็นท้อเป็นผัวเป็นเมียมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานก็มีความสามารถจะสร้างสรร สังคมในครอบครัวให้สมัคคีให้ร่วมหนึ่งวันเดียวกันมีนความสามารถที่สร้างสารรค์ให้เกิดความแตแกแยงสมัคคีกันเกิดขึ้นกลายเป็นสังฆะในครอบคล่วในรูปแบบของธรรมะยุ่จบด้วยเกือเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่ พ่อแม่ก็คิดจะช่วยลูกลูกก็คิดจะช่วยพ่อแม่ปัญญาสามีคิดจะช่วยกันเป็นคนดีของกันแล้วกันลบลบพอ่อเขาลบแม่ก็โเราต้องเป็นคนดีพ่อลูกเรื่องนี้ดีจริงๆปัญญาสามีเคารพกันเป็นคนดีของกันแล้วกัน โลกเต่าบ่าแม่โลกหลานเ้าลบ ก, กันก็เกิดความสงบลมเย็นมีการงานเกิดขึ้นช่วยกันไม่ทำไม่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ช่วยเหลือึ่งกันและกันเกิดสันติสุขสันติภาพเกิดขึ้นในหมู่สังฆะในครอบครัวไม่ใช่สังฆะ แบบองค์พระเหลืองหัวโล่นอยู่ในวัดาว่าสังฆะคือความเป็นธรรมสมาคีกันร่วมกันรวมกันช่วยเหลือกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เกิดย้ายไปสู่โลกรลกาที่เปิดยอะเพื่อโลกธรรมาที่เติเยอะเพื่อธรรม ชีวิตของเราทั้งหมดนี่เพื่อทำเพื่อลกูกให้เกิดความเป็นธรรมรับปิดชอบร่วมมือร่วมใจรับปิดชอบผู้บริโภครับปิดชอบผู้มีชีวิตร่วมกันไปไหนรับผิดชอบใชจถนนทางรับผิดชอบใช้น้ำใช้ดินใช้ อากาศรับผิดชอบไม่ทำให้เดือดร้อนเป็นประโยชน์เพื่อกูลนี่ดีจริงๆปฏิบัติทรหนึ่มันเปลี่ยนเปลี่ยนบไยหมายใช่ว่ามีมรรคผลแล้วหนีไปอยู่ในตรงในป่าไม่ดูแลไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่อย่างนั้นเยนพู้เจ้าของผู้菩萨ศาของพวกเราในพุทธศาสนานี้เมื่อตัดสรู้แล้วคิดจะช่วยแต่คนอื่นจึงอื่นวัตถุอื่นสร้างพุทธบริจัทมีธรรมะเบ้นไนเกิดขึ้นมาให้ปฏิบัติตามธรรมเบ้นนเมื่อปฏิบัติตามธรรมเบ้นน โลกก็จะไม่บ้างจากเป็นพระอาหารมันมีวินัยปฏิบัติต่อกายอย่างไม่วินัยปฏิบัติต่อจิตใจอย่างม่วินัยวิก็คือวิเศษไนยคือนําไปสุขความวิเศษกายก็ไปสุขความวิเศษจิตใจก็ไปสุขความวิเศษมันก็เกิดมาเกิดผลขึ้นมาเป็นหมูพุทธบริษัท เป็นลากงโงของโลกนี่เป็คนทําดีเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันตําไว้ไหนนี่เหมือนเช่นได้ล่อดอกบ้ายคนเราก็ลูกต่างพ่อต่างแม่ต่างนิสัยใจคอเมื่อเข้าสู่ตําไว้ไหนแล้วเป็นอันเดียวกันมีรูปมีนามมีกายมีใจมีทุกข์เหมือนกันหมด รูปนี้เป็นรูปทุกนามนี่เป็นนามทุกต้องหายใจเข้าหายใจออกตอนไม่หายใจเข้าหายใจออกมันก็ทุกหรือจ่ายไปต้องเดินต้องนั่งต้องยืนต้องนอนต้องกินต้องถ่ายต้องอาบน้ำต้องห่มผ้ามีที่ว่าจ่าย เพราะมันเป็นทุกข์โยงกักตัวเล็กก็ทุกข์เมื่อเห็นทุกข์ก็เกิดจุกรูปดิงก็กระตือล้นช่วยรูปเห็นทุกข์แต่เกิด ก, กับน้ําก็ตื้อล้นช่วยน้ำปล่อยทิ้งไม่ได้สงสารรูปสงสารน้ำแต่ก่อนเราไม่จดจ่าไม่รูป้ปล่อยให้ความโกรธ ข้ามบ้านข้างคืนที่เป็นความทุกข์ก็ยังองม์มาอยู่อมทุกข์ไว้อยู่ไม่รู้จะปล่อยจะวางเอามาเป็นตัวเป็นตนเราไม่เห็นแจ้งรู้จริงแล้วเนี่ยมันก็หลุดเอาไม่ได้เอาไม่ไ ด, เไได้เพราะสงสารรูปแต่ก่อนเราไม่เคยช่วยรูปช่วยนามปล่อยทิ้ง เห็นเรา่างสุบุรีบ้างเที่ยวเต่เล่ลอนอของคืนเป็นขวานกลางบันเป็นเปลวหกหมุ่นกุ่นคิดบางทีก็เป็นความทุกข์ความคิดคิดอะไรก็ได้ป่ะเถื่อนที่จุ ด, ดจิตใจเป็นโสเปี้จิต คิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้จิตคิดผิดประเภทไม่ถูกต้องในะความคิดไม่มีอายไม่รู้จักอายความคิดตัวเองไม่มีสติเป็นเจ้าของความคิดจิตใจก็เถื่อนกายก็เถื่อนเหมือนนี้เรามีสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจ ดูแลหายใจคุ้มปลอดภัยไม่มีภัยเรียกว่าปฏิบัติธรรมอะไรไม่เฉียวชาติที่เกิดมาก้มค่าก้มผ่าพาแม่ที่เลี้ยงมาเราก็ได้เมื่อนี่ได้ม า, ไ ด, มาได้รูปได้นามมาจริงๆผู้ดีกำเนเิดเราคือพ่อคือแม่มีจริงๆ แล้วก็ลูกพ่องแี่เคยทำถูกให้เป็นคนดีพแม่ทุกคนที่มีลูกก็อยากให้ลูกเป็นคนดีลูกเป็นคนดีแล้วพ่อแม่ก็มคีความสุขใครก็าาตามอยากให้เป็นคนดีผู้มีสามีก็อยากให้สามีเป็นคนดีผู้มีภรรยาก็อยากให้ภรรยาเป็นคนดีผู้มีมิตรก็อยากให้มิตรเป็นคนดี เหมือนกันหมดถ้าเราเป็นกฏดีปฏิบัติตัวดีแล้วก็ถือว่าสําเร็จเหมือนกันหมดเป็นสากลรักเุขหยุดทุกข์เหมือนกันกฏที่บิดทำจึงเป็นส่วนหลวงเป็นส่วนหลวงชีวิตของคนเราทุกคนเป็นส่วนหลวง ตัวคนหนึ่งชั่วแล้วก็เดือดร้อนแล้วคนหนึ่งดีแล้วก็ค่อยสบายรวมดีเกิดจากค น, คนหนึ่งถ้าเป็นผู้มีทรรมแล้วมากมายหลายอย่างรวมชั่วเกิดจากคนหนึ่งถ้าขาดทรรมล้วจะเป็นทุกข์เป็นโทษมากมายหลายอย่างจึงดีคนเดียวไม่ได้จึงกลายเป็นหมู่สังขะขึ้นมา บอกกันสอนกันช่วยเหลือกันอะไรผิดอะไรถูกก็บอกกันชี้ผิดชี้ถูกเป็นจริงแว่แลอมถ้าเราฝึกปฏิบัติทำเราก็จะได้ชี้ตัวเองเตือนตนเองดูตัวเองแก้ไขตนเองแล้วก็มีแล้วมีผู้บอกมีผู้สอน มีอยู่ไม่ขาดสะพานจายนี่ไม่ขาดลงนอนสองวันหกร้อยปีมาแล้วยังสอนเหมือนพู้เจ้าสอนมีพระพระเจ้ามีหล่อวสสาโบ มีาชาวนาผู้น้องชาวนามาสู่ประเทศไทยมีบรรพบุรุษมีปูเชนิยบุคคลเห็นไออุ่นอยู่มีไออุ่นอยู่ร่องรอยยังไม่อยู่จนมาถึงทุกวันนี้อันเดียว สามอก็อันเดียวมีสติอันเดียวแล้วมีสติคขาว่าสติคือเรืองรู้สึกเลือกตัดอันเดียวสามสองก็บอกว่าพระเจ้าบอกว่าเธอจะมีสติทุกเมื่อมัจจุราชตอไม่ทันมีสติปัญญาอีกเป็นประจํา มีกรรมฐานฝึกมีที่ตั้งเอามาจากเดิมด ม, มีสติไปนในกายเห็นกายรู้เฉนเข้ารู้สึกเหยียเฉนออกรู้สึกจิงที่มาเกิดกับกายก็มีเบทนาเห็นมันอย่าเป็นไปกับมันเห็นกายสักบ่ากาย เห็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์สักว่าเวทนาเห็นความคิดสักว่าความคิดอย่าให้มันเกิดต่อไปอีกเป็นกิเลตนาเห็นธรรมสักแต่ว่าธรรมความเฉื่อยความเจริญเกิดขึ้นข่มน้อยข่มดีก็สักแต่ว่าธรรมความหลงก็เป็นธรรมที่เป็นดักรุ่น ความไม่หลงก็เป็นธรรมที่กุศลบอกผิดบอกถูกเป็นกลุ่มเป็นสูตรปล่อยสูตบุญสูตบาปบุญก็คมันรู้มันเห็นเหมันแจ้งบาปคือไม่รู้ปลอยให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นโทษคือคนเป็นบาปบนเมีบุญก็คือไม่ปล่อยให้ความเป็นทุกข์เป็นโทษเกิดขึ้กับกายกับจใจ มันก็ต่างกันบาปก็หนังไปชูอบายไปชูนรกก็คือทุกข์นเองบุญก็คือไปชู่สุคติก็คือพรมไม่ทุกข์นั่นเองจริงเหล่านี้ไม่ยากเกิดจากการปฏิบัติเลือกได้ไม่ตกนรกเด็ดขาดไม่เป็นเปรตเด็ดขาดไม่ตกอับายเด็ดขาดไม่เป็น อสุลกาเดจฌานผู้มีติไปชูสุขติเท่ากับขนโคลผู ल, ้ขาดจิตไปชูทุกติเท่ากับขนโคมากไปชูสุขติเท่ากับเขาโคูเท่านั้นผู้ขาดจิตผู้มีติไปชูนรกเท่ากับขนโคน้อยนิดเดียวหืมนิดเดียว ต่างกันตรงชีวิตนี่มันเลือกได้เลือกได้ตกแต่งได้หรือว่าบุญว่าชนามันแต่งได้วาดก็คือเขียนเอาอยากดีอยากงามก็เขียนลงไปที่กาที่เจนี้มาไล่เป็นดีลบปอกเป็นดีซะมันหลงให้ลู้ศึกตัวซะได้ความ รู้ขึ้นหมาก็ความหลงได้ความไม่หลงจากความหลงหนทุกข์รู้จึกตัวได้ความไม่ทุกข์จากความทุกข์นี่แหละว่าชนะบุญว่าชนะไม่ใช่ไปอ้อนบอลเอาจึงอื่นไม่จากเกิดการทําของตนเองวุ่นวุ่นว่าชนะบาละเมฆบาละเมฆคือความผอม เต็มแล้วเเต็มมีความพมร้อมเต็มมีลูกเต็มลูกพร้อมพร้อมอยู่เสมอมีสติเป็นเจ้ของกายเจ้าของใจพร้อมจะละความชัว่วพร้อมจะทำความดีพร้อมจะทำจิตบริสุทธิ์น้ว่าบุญวาสนาบารมีสร้างบารมีจะให้รู้จักตัวรู้จักตัวรู้จักตัวในีน่ว่าถม แล้วหลงมานานจึงจำเป็นต้องฝึกกรรมฐานให้รู้จักตัวทุกทุกวินาทีทุกๆุกวินาทีอะไรเกิดอะไรู้จักตัวรู้จักตัวไปก่อนอย่าเพิ่งหาคำตอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจอันนั่นเป็นงั้นเรื่องนี้เป็นนี้นิมิตเห็นนิมิตเห็นกวนทุกขเห็นกวนทุกข์เห็นอะไนอนนี่อย่าเพิ่งไปคล้องแวะให้รู้ไปก่อนให้รู้ไปก่อน ผ่านไปก่อนเอาไว้หล okay huh ังก่อนอย่าให้จริงที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าให้รู้จักตัวผ่านไปรู้จักตัวรู้จึกตัวให้ด่วนๆสักหน้อยเห็นอะไรก็ครบแคจึงนันมันก็เลื่อนจ้าเห็นอะไรก็รู้จักตัวรู้จักตัวมีก็มาานรู้จักตัวอรู้จักตัวอลไรเกิดขึ้นรู้จักตัวเลยเกิดขึ้นว่ารู้จักตัว มันจะคล่องมาชำนานได้เห็นสุกก็สุกซะรวมรูปตัวไม่ชำนาญเห็นทุกข์ก็ทุกข์ไปซะก็แยกสายแยกขั้วอยู่เหมือนท่อนจุงท่อนม้าที่ไหลาตามนาม้ำท่อนใดที่ติดฝัง้ายท่อนใดที่ติดฝังขั้วไม่ถึงทะเลได้เห็นท่อนจุงท่อนใดที่ไหลาตามล่องน้ำก็ล่องสู่ทะเลได้เหมือนถึงมากถึงขน้ได้ง่าย อย่าไปเอาผิดเอาถูกอยไปเอาได้เอาเสียให้รู้ถึงตัวรู้จุดตัวนะก็สมก่อนเจเบลล่าอะไรกับพ่อพอมือกัน